วิธีสละจีวรที่เป็นนิสกีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์เฉวยยงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้ของกระผมออกปากขอได้มาเองแล้วใช้ช่างหูกทอเป็นนิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคิน์จีวันที่เธอสละให้ด้วยยติธรร ม, มาวาจาว่าท่านผู้เจ ร, เริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าจีวันของภิกษุเช่นนี้เป็นอิสกะขีเธอสละแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวันพื้นนี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุหลายรูป มอุตราสงเฉียง่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พัษานั่งประโยมประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้จเจริญจิวันผืนนี้กระผมออกปากขอได้มาเองแล้วใช้ช่างหูกให้ทอเป็นนิสกีกระผมสละจิวันผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติ พึงคืนจีวันที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าจีวันของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสคีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวันเผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งผมอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประโยงประนมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับ จีวรผืนนี้กระผมออกปากคอได้มาเองแล้วใช้ช่างหนุกให้ทอเป็นนสิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วเคิร์นจีวันที่เธอสละให้เรียกล่กลาวว่ากระผมเคิร์นจีวรผืนนี้ให้แก่ท่าน